ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มันนั่งคุยกันถึงเรื่องข้าพเจ้าในมิราชต่อไปวันที่แล้วมาจบลงตอนที่พระอินทร์ทรงเทพประสานถีคนขับรถของามะอินทร์เอารถทิดมารับพระเจ้าในมีราช ราษัยที่ลุกสิ์เขาไม่เจ้าในมีราตีตายไปจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดาวดึงมากของนี้มีจริงนะลูกหลานที่รักจะไปเชื่อคนตาบอดคนที่ก็บอกว่าเทวดาไม่มีนระกไม่มีสวรรค์ไม่มีนระกเขาขอน ว่าเขารู้จักการเมตตาปราณีรู้จักการให้ทานไหมมีศีลบริสุทธิ์ไหมรู้จักการประพฤติสัมภาระไหมแต่คนนั้นเขาดีจริงๆแล้วก็เขารู้ว่ามีไอคนที่ไม่มีศีลศีลห้าแม้แต่ศีลห้าก็ไม่บริสุทธิ์สร้างความเดือดร้อนให้กับคนพังชาติแล้วแล้วเฉพาะบุคคลคนที่มีความเลวอย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดความชั่ง คนตาบอดคลำช้างถ้าเจอขาช้างก็บอกว่าช้างเหมือนเสาไปเจอหางช้างก็บอกช้างเหมือนไม่กวาดไปคลำเอาเจองวงช้างก็บอกช้างเหมือนปลิงเป็นอันว่าไม่รู้จักช้างจริงข้อนี้ฉันใดเมื่อคนที่มีความเลวไปจําใจสินห้าไม่ครบยังกินเหล้าเมายาตกปลาตกเบ็ดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แกักกโมยทรัพย์สินของคนอื่นยื้อแย่งความรักไม่เคารพในความดีพูดจาไม่ตรงกับความเป็นจริงคนประเภทนี้ลูกหลานอย่าเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่คบเพด้วยดีความเลวมันจะเข้ามาติดตัวไอ้คนอย่างเธอทุนเหล้ายาปราปิ้งเนะี่ย่าไปชมว่าดีนะมันเป็นเรื่องของคนเลวจะเอาเรื่องอะไรเข้ามาพูดมาอ้าเหตุผลก็ไม่ต้องรับฟัง ในเมื่อเขาเลวแล้วยังไงยังไงมันก็เลวจะเอาอความจําเป็นอย่างนั้นความจําเป็นอย่างนี้สังคมบังคับความจริงสังคมเขาไม่ได้มาเดืงบังคับเราไม่ดื่มที่อย่างเดียวใครมันจะเอาเหล้ามายัดปากนี่เพราะว่ามีคนค้านอยู่เสมอไปบอกเข้ามาหาหลวงปู่นะเขาเขาไม่แน่ใจแล้วบอกเข้ามาหาหลวงปู่หลวงปู่มีวิธีปฏิบัติ ถ้าเขาปฏิบัติได้จริงๆเขาจะเห็นจริงๆความรู้นี่ไม่ใช่ตองความรู้ของหลวงปู่เองเป็นความรู้ของพระพุทธเจา้าถ้าเขาเก่งจริงแล้วก็เชิญให้เขมาพบหลวงปู่พีก็บอกว่าสวรรค์ไม่มีนะรกไม่มีพรมไม่มีนิพพานไม่มีนะอะไรก็ตา่างๆถ้าก็มั่นใจว่าอยากจะมีให้เขามาปฏิบัติท้ากันได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ทั้งนี้ก็เพราะคนเขียนหนังสือว่ามาบางในเีนเนังสือประกาศถึงได้มาม น, นี่หลวงปู่ไม่กลัวเขาแต่ว่าอยากให้คนพูดนี้มาลองดูที่ว่าความดีของตัวเขานะั้นมันมีแค่ไหนเขามีดีอยู่แล้วก็มีชั่วยอยู่วันนี้มาคุยกันต่อไปว่าทันมาตลีเทพสารธีทูลถามพระเจ้าในมีราชว่า ถ้าแต่พระองค์โปรเสดสถานที่ที่จะนําเสด็จพระองค์ไปนั้นมีสองทางคือเป็นสถานที่อยู่ของเหล่าชนผู้ทําบาปทางหนึ่งและสถานที่อยู่ของเหล่าชนผู้ทําบุญนั้นทางหนึ่งพระองค์จะเสด็จไปทําไหนก่อนพระเจ้าขา่าพระเจ้านีมิราชสุนตริว่าเราควรจะไปสถานที่อยู่ของคนผู้ทําบาปก่อน ไอ้คำว่าบาปนี่ลูกหลานทีละคือความชั่วคนที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์คนที่ไม่เคารพบิดามดาคนที่ไม่เคารพบุคบบคลผู้มีคุณแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์คนนี้เขาพวกนี้เขาเรียกว่าบาปคือความชั่วเรากันต่อไป เราต้องการไปที่อยู่ของคนทาบาปก่อนแล้วจึงจะไปเทวโลกคือโลกของเทวดาที่ในตรัสต่อบอกกับท่านมาตลีว่าท่านจงพาเราไปสถานที่ที่สัตว์ทำบาปก่อนแล้วจึงพาไปาเทวโลกทีหลังท่านมาตลีเทพสารถียิ่งขับเวทียันเดราชิรถออกจากเมืองมิดิลามหานคร มุ่งตรงไปสู่เมืองนรกนี่เรื่องนรกเรงสวรรค์นี่เดี๋ยวนี้เขาเที่ยวกันฟุ้งแล้วก็ยังมีคนหูหนวกตาบอดอีกบางท่านเท่านั้ น, นที่บอกไอ้เรื่องนี้มันไม่มีก็เหมือนกับวัดคลมงปน่นถ้าคนที่ไม่เคยมาที่วัดเนี่ยลองให้เขาบอกให้มันถูกทุกว่าอะไรมันมีบ้างสภาพของวัดเป็นยังไง ถ้าไม่เคยมามาไม่ได้มันก็บอกไว้ถูกถ้ามาได้มันก็บอกถูกเรื่องสนรกสวรรค์เวลานี้เป็นเรื่องเล็กเด็กๆ ก, ก็ทํากันได้เช่นหลานชายท่านพลโททนทองสวรรค์บางทีจะเป็นคนเอกแล้วนะนี่พูดวินานพูดไว้เมื่อวันที่ห้าอะไรดะตุลาคมสองพันห้ารอยิบเอ็ดท่านเป็นพลโท แต่เข้าใจว่าไม่กี่วันก็เป็นคนเอกกว่าสี่งที่ออกไปนี่เป็นคนเอกคนเอกแล้วหลานชายของท่านเป็นเด็กเด็กยังไม่มัม่มีบรญญาเนี่ยรู้สวรรค์นุ่นนรกเขารู้สบายแล้วฉะนั้นคนที่โตขึ้นมาแล้วสุนัขเลียตูตรไม่ถึงนะถ้ายังนึกเลยังไม่มีอยู่ก็คนรอย่อายเด็กวันนี้รุนแรงไปนิดหนึ่งก็ว่ามีคนเขาพูดมาบอกมันไม่จริง เจ้านารกสวรรคโกหกก็เลยทาเขาเลยว่าเชิญมาทดลองถ้าเก่งจริงเชิญมาวิสุดแล้วทำให้ได้นะถ้าบอกว่าทำอะไรต้องทำให้ได้ตามนั้นเอาเล่าเรื่องต่อไปดีกว่าที่เป็นนั่งทะเลาะกันหมดเรื่องหมดราวไม่ไม่ได้เรื่องท่านมาตลีเทพปสานถิยิ่งขับเวทยันธราชิรถ์ออกจากเมืองมิจฉลามหานาครมุ่งตรงไปสู่เมืองนรก เมื่อผ่านแม่น้ำเมตราณีโอ้โหหลูกหลานที่รักเอ้ยไอ้แม่น้ำนี้มันเดือดเป็นเป็นน้ำกรดสัตว์ตกไปปุ๊บเนื้อลายทันทีทัานมาตะลีกังนี่ทูลว่าข้าแต่พระองค์พระบรเสด็นั่นแม่น้ำเมตราณีอย่าไปไว่ายน้ำเล่นไม่ได้นะเรือจะกระดดกตั้นั้นแหละเป็นน้ำที่สัตว์นรกมาได้รับทุกขโทรมานอยู่ มีแม่น้ํานี้เต็มไปด้วยเทวันน้ําโตเท่าหอกปลายน้ํามีเพลิงลุกโชนช่วงมีเหลาเหล็กโตเท่าลําตาลโวยพุ่งได้แสงเปล่งสัตว์นรกถูกเหลาเสียบเหมือนกับย่างปลาบนพื้นน้ํามีใบบัวเหล็กแหลมเหมือนกับมีกรงเมื่อสัตว์นรก ล่าจิกเหล้าเหล็กตกลงไปบนใบบัวเหล็กเมื่อพักจากใบบัวเหล็กก็ตกลงไปในแม่น้ําซึ่งมีแสงไฟลุกโลทั้งแสบทั้งร้อนทั้งปวดบรรดาสัตวรร์นกทั้งหลายเหล่านั้นจมลงไปก็ถูกเครื่องสังหารใต้น้ําสับเป็นท่อนๆ อ, อีกด้านล่างมันยังมีอาวุธอีกแต่ว่าสัตว์นก ที่ตกนแม่น้ำนี้ถูกน้าซัดเข้าฝั่งก็ทูลนายนิริยาบาลนายนิริยาบาลก็เป็นคนที่รักษานารกคือพานโรงประจันนรกหรือว่าผู้คุมประจันนรกก็ทูลนายนิริยาบาลเอาหอกแทงเอาเอาเบ็ดเหล็กเกี่ยวขนาดโตเท่ากับอะไรเอาเบ็ด เหล็กขนาดโตเกี่ยวเข้าที่ท้องบ้างที่ลำคอบ้างที่ปากบ้างแล้วกแกว่งไปแกว่งมาสนุกดีแล้วก็ลากขึ้นมาบนฝั่งให้นอนงายลงไปบนบนแผ่นเหล็กที่มีเปลวไฟลุกโชนสนุกดีไหมแล้วก็งัดปากออกมาเอาก้อนเหล็กที่เผาเจนแดงโชนมีไฟเะยัดเข้ามาเข้าในปาก สัตว์นรกที่ตกอยู่ในน้ําอย่างนี้นานนับเป็นพันพันปีคือเป็นพันพันปีนะไม่ใช่พันเดียวนะเป็นพันพันปีกัเดียวเดียวแย่เลยพระเจ้าในมีราไดทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่ตกอยู่ในเวตรณีเพื่อใครจะทราบถึง่กรรมในสัตว์นหลายเรานั้นทํา จึงได้ทรงจัดถามท่านมาตลีว่าสัตว์เหล่านี้ทําบาปอะไรไว้จึงได้มาตกนรกเวตรณีนี้โอ้โแม่น้ำนี่น่าเล่นท่านมาตาลีเทพสารธียืนทธุนว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ทําบาปเพื่อทําความชัว่วไอบาปแล้วความชัว่วทําบาปหยาบช้าเบียดเบียนผู้มีกําลังน้อยกว่า ประพฤติตนไปอันดภานทำทารุณกรรมทั้งกีทั้งปลนต้องทำร้ายให้เขาได้รับความบาดเจ็บและทุกข์พลภาพแลว่าถึงตายยิ่งต้องมาทกตกทร ม, มานอยู่ในนรกที่วาเวตรณีนี้พระเจ้าค่ะลูหลานที่รักทีรับแสบนะ่ะนรกที่พระเจ้าในมีราชที่โททมาตรีชมเป็นนรกเล็ก นรกใหญ่คุ้มใหญ่จริงๆไม่ได้ไปหรอกว่าเอาตแล้วนรกก็เรียกว่าขั้นนิดๆกระจุงกระจิมเท่านั้นไอ้ที่มันมีโทษหนักกว่านี้ยังมีแต่ว่าธรามาตาลีไม่สามารถจะพาไปได้เพราะอายุท่านในมิราชจะไม่พอนี่เล่ากันต่อไปพระเจ้าในมิราชได้สัดับทิ้งการกระทำของสัตว์นรกเหล่านั้นก็ทรงดำมิว่าเออไม่นานเลยสัตหลายเรานั้นจะ จะก่อกรรมทำเก่งจนตัวเองก็องมาตกนรกอยู่ในภาวะอันแสนทุกข์ทรมานเช่นนี้เนี่ยไม่เป็นการสมควรความจริงการล้นเขาการจี้เขารักขโมยเขาประทุสรายเขาในปทุสรายกันไม่มีอะไรเป็นผลหรอกมีได้ความทุกข์เป็นผลล้นจี้ของเขาได้มาแล้วประเดี๋ยวมันก็ของมันก็หมด ต้องไปทำใหม่และตัวก็ต้องตายมาตกนรกแบบนี้มันไม่ดีเพราะนั้นลูกหลานที่รักฟังเรื่องนี้เนี่ยหลวงปู่ยืนยันว่าเป็นของจริงถ้าอยากจะฝึกก็มาที่สำนักหลวงปู่ได้ถ้ากําลังใจลูกหลานพร้อมแล้วก็จะได้จะเห็นถ้าแนะนําให้แล้วก็ทําไม่ถึงทําไม่ได้อันนี้หลวงปู่ไม่รับรอง มันขึ้นกับความขี้เกียจและขยันของคนเท่านั้นถ้าขายันเดียวก็ได้คุยกันต่อไปว่ามาตาเลเทพาสาถีได้ขับรถทิพาพระเจ้าในมิราชไปทอดเป็นเนศสัตว์นรกต่อไปตอนนี้ได้ทอดเป็นเนสหินสัตว์นรกถูกสุนัขสีแดงบ้างสีดำบ้างสีด่างบ้าง โหงแรงแล้วก็โหงกากุ้มรุมทำร้ายเคี้ยวกินจึงตัสแถมว่าสนรกทั้งหลายเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้นรกที่ที่ท่านนภามาชมเขาเรียกว่ายมมโลกเกียนรกเป็นนรกเบาๆที่นรกขุมใหญ่มันมีแปลขุมตั้งหากจำไม่ได้นะที่หาวนรกมีเท่านี้หรือเขาพูดอยาอื่นมาลูกหลานจะบอกว่าหลวงปู่บอกไว้เท่านี้นี่ ความจริงไม่ใช่มีเท่านี้ให้ชมนิดเดียวเฉียดเฉียดชายชาย น, นรกตอนนั้นเป็นอันว่าท่านมาตรลีเทปัทธธถีกราบทูลว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์มีความตระหนี่ไม่ยอมเสียสละอะไรให้แก่ใครแน่เป็นคนขี้เหนียวที่มาให้ทานนี่ก็ด่าสมณะชีพราม หมายว่า้สมณชีพราหมณ์ที่ท่านประพฤติย์ดีนะที่ประพติชั่ ว, ะ ร, ร, ร, วระนนด่าเผื่ไม่เป็นไรหรอกว่าไอ้โจรปล้นพระศาสนาด่าไม่เป็นไรด่าสมณชีพรามณ์จึงต้องรับกรรมทันนี้พระเจ้าข่าต้องปูงไม่ทิบายจะได้จบเ ร, ร็วเร็วท่านมาตาลีที่พระศารอธิได้พาพระเจ้าเนมีลาาไปทอดพระเนตรจักรวรรดิเสวยกรรมต่างๆ และทูลถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ทรงทราบตามลําดับให้คืนว่าหมดแล้วก็เสร็จท่านลูกหลานอยากจะทราบนรกมันมีอะไรบ้างนะก็ไปเอาหนังสือไตรภูมิไปอ่านก็แล้วกันไตรภูมิมีท่านสวรรค์และมีท่านรกเกิดสวรรค์ผู้ไม่น้อยหน่อยอุนนรกไว้ให้มากๆจะได้จําได้สัตว์นรกมีนหะนไปเจอสํานรกอยู่แล้ว ไปพบสัตว์ในะโลกที่มีเพลิงลุกโลงไฟนะเพลิงนะไปในลูกนะมีไฟลุกโลงที่ร่างกายเดินเหยียบไปบนแผ่นเหล็กที่มีไฟลุกแดงโชนนายนินินบาลก็ตีไปทีท่อนเหล็กน่ะที่ร้อนจัดไอ้ท่อนเหล็กก็แดงโชนร้อนจัดไปไปซะอี ก, อกสัตว์ชนหลายเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ ในเบียดเบียนผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเรงรับกรรมเช่นนี้เห็นไหมในคนที่นินทาคนที่มีศีลมีธรรมแกล้งแกล้งคนที่มีศีลมีธรรมอหะถูกลงโทษแบบนี้ mm hmm. เยอะเดี๋ยวนี้คนประเภท น, นี้เยอะต่อไปสัตว์ในรลกที่ถูกนาณีดีบานทิ้มแทงไปด้วยอาวุธเปลือกแล้วก็ตกลงไปในกองถ่านเปลือ จมอยู่ในกองฐานเติงนั้นแค่เอวสําหรับนายนี่ทีบ่ยก็เอากระเช้าเหล็กใหญ่จัก่านเืิโปรยลงไปบนหัวสัตว์ในโลกพันหลายเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์เพีงกล่าต้องการว่าพู้นี้เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยเที่ยวเรียร์ไรซับชาวบา้านอย่างที่พระที่เอาเรียรไรกันเรื่อยชาวบ้านเอาเรียรไรกเรื่อย น, นี่แหละ เนี่ยได้ทรัพย์ชาบ้านว่าจะเอาไปสร้างปฏิสสงขอนถาวรนวัตถุแล้วก็ทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนตัวถ้าสแสดงรายรับรายจ่ายเทศให้มันดาประชาชนทราบจึงได้รับกรรมเช่นนี้ลงตาลุงปู่เขาเล่า ล, ลัดไปเลยลูกลหลังยึดฟังมันนานไม่ปฏามิบายละ นี่แม่พระพุทนักเรี่ยายต่างๆทายกพายิกาผูมพานวัดต่างๆพระต่างๆนี่ยตกนรกรเรื่องนี้เยอะลูกหลานที่รักหลวปู่บอกแล้วเวลานี้เนี่ยพระตกนรกกันไม่น้อยหรอกทำบุตรแล้วพรมามันอยากเป็นพระกันอยากเป็นเศรษฐีบ้างอยากเป็นคุณ น, นางบ้างอยากอะไรก็ตามเลยปล่อยแต่นี้ท่าไก่ชวนไปดูนรก ที่ถูกสัตว์นรกที่ถูกนานิรันบาลจับหัวกุ้งลงไปในหม้อน้าทองแดงไอ ห, หม้อน้ําทองแดงไม่ใช่ทองหม้อน้ําเย็นๆนน้ำเขาหลอมทองแดงอยู่เป็นน้ําอย็นทีตัหลอดหล่อพระหล่ออะไรตัวใดถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ท่านอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้มาเป็นมนุษย์เวียดเวียนด่าว่าสมณะขีพราหมณ์ที่ทรงศีลทรงธรรม เพียงได้รับกรรมอย่างนี้เวลานี้มีเยอะลูกหลานที่รักไอพวกที่ดาว่าพวกสุีพรามเขาทรงสินทรงธรรมหาว่าเอารัดเอาเปรียบทาสังคมให้ย่อยยับทำลายเศรษฐกิจนัไนนี่แนะไอพวกนื้ลงนี่ทั้งหมดแหละนล้วต่อไปก็ไปดูสัตว์นรกที่ถูกนานิยิบาลเอาเหล็กพืชรัดคอกดหัวและกดดึงเหล็กพืชนั้น ให้จดอันเดยงดึงเหล็กพื้นนั่นจึงคอขาดอย่าลืมมาคอขาดมันก็ไม่ตายสัตว์นรกไม่มีขามาตายท่านยังบอกว่าไอสัตว์นรกเหล่านี้มาสมัยที่เป็นมนุษย์ ม, มันเที่ยวไล่จับไล่ยิงไล่คว้างนกเล่นจริงมาต้องสวยผลกรรมอย่างนี้ลูกหลานรับทราบแล้วอย่าทำนะลูกนะ อย่าไปทำอย่าไปก้มเห็นเขาเราไม่ชอบถูรังแกชั้นใดสักก็ไม่ชอบถูรังแกชั้นนั้นถ้าเรารังแกเขาต้องไปทรมานอย่างนี้เป็นพันพันปีนี่ก็ต่อไปก็พาไปดูสัตว์นรกที่เวลมีความกระหายน้ำวิ่งไปที่ไม่น้ำแม่น้านั้นพอไปถึงปับ๊บน้ำหายซปแล้วกลายเป็นแกลบ ไม่ใช่แกลบเป็นถิ่นแต่แกลบที่เป็นไฟลุกโชนช่องแดงฉานกินยังไงก็จําใจต้องกินแกลบแทนนะ้ํามันอยากน้ำเอาน้ํามันอยากเป็นแกลบเป็นแกลบไฟลุกโชนมันกระหายที่ยวๆ ก, กินแกลบที่ไฟลุกเข้าไปแกลบก็เป็นแกลบเหล็กเมื่อกินเข้าไปแล้วแกลบก็เผาร่างกายจนแทบจะทนไม่ไหวร้องไห้ดิน้น กวงครั้งดิ้นผับผับผับผับผัชักสาติหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าท่านบนเรงกรรมนะ่ะประสมัยที่เป็นมนุษย์อ่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ซื้อไม่ซื่อแต่เพิ่ซื้อของนําของเสียมาบอกว่าเป็นของดีของนี่ราคาถูกแกล้งขึ้นราคาอยู่เวลาน้นะําท่วมไอคนมันอดจะตายเข้าสายถังละแปดสิบบาทขึ้น 130, ขึ้นเป็นร้อยสามสิบพันทานก็สอบและสามสิบบาทขึ้นเป็นแปดสิบาทอนไรอย่งนี้เป็นต้นนี่นะพวกนี้มาตกมรรคที่นี่นะเอาของที่ไม่ดีไปปนกับของดีแล้วก็เรีย่ขายประกาศพว่านี่ของดีเจ้าค่ะอนะไรอย่างนี้นะหรือ ว, ว่าใช้ของป ล, ลอมนะโกหกเขาหลังจากนั้นท่านก็พาไปดูสัตว์นรกอีกพวกหนึ่ง ที่นายนี้ที่จะบานล้อมเหมือนกับรารล้อมเนื้อยืยนล้อมกันแล้วก็อสอกบ้างเอาลูกเอาสอนบ้างทิ่มแทงจนร่างกายฟุนไปหมดทั้งตัวโลรกไปหมดท่านบอกว่าไอสัตว์ในโลกพวกนี้มาเวลาที่เป็นมนุษย์นะ่ะเขาไม่ธรรมชาตากินในทางสุจริตชอบลักเขากินบ้างนะ ชอบแต่จะรักเขากินเช่นเขาเปลือกเงินทองแพะแกะวัวควายเป็นต้นยังพวกมิจฉาชีพเอาไม่ชั่นพวกเขาเาการขีโ้โกงรับสินบายค่าสินบนอันนี้นะไอ้พวกเอาไม่ชั่นนะี่ฮะไปเกยอยู่ไปโดนเขาทิ่เมเขาแทงแบบนี้ไอ้พวกงโกงเขากินไอ้ที่รวยแม้โกงแล้วก็รวยเอารัดเอาเปรียบเนี่ยไปอยู่นรลกขุมนี่ อ, อาใจที่นี่แล้วทั้งก็พาไปดูสัตว์นรกอีกจุดหนึ่งว่าสัตว์นรกที่ถูกนานี่้บานเอาเชือกเหล็กลุกเป็นไฟผููที่คอแล้วก็ฉุดกระชากลากมาให้นอนลงเป็นแผ่นเหล็กที่มีไฟลุกโชนแผ่นเหล็กก็แดงแล้วก็ทุบก็ตีเอาจนแหลกเหลวไปอย่าลืมนะแหลกเหลวนี่ก็ไม่ยอมตายไม่ตายแต่คนนี้มันต้องทุกข์ทรมาน แล้วท่านก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์เที่ยวฆ่าเนื้อบ้างข่าปลาบ้างข่าวัวบ้างข่าควายบ้างฆาแพะบ้างฆาแกะบ้างฆ่าหมูบ้างเป็นต้นเอามาขายเลี้ยงฉีบจึงได้รับกรรมชินี้โอ้โหลูกหลานที่รักอย่าทำนะจ๊ะอย่าทําเลยมันจะไม่ดีคุยงินต่อไปอันนี้ถ้าเล่าแล้วเนี่ยลุงปูไม่ค่อยไข้คอน่ะ ฟังนวก็จำเดี๋ยวยันลืมนะไปดูสัตว์นรกที่มีความกระหายมีความหิวมีความกระเสกกระสนจะไปกินนอนไปกินอุจาระกินปัสสาวะที่มีกลิ่นเหม็นเนา่าท่านหิวนี่อะไรแล้วมันก็กินท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้น่ะนั่งกินนอนกินอุจาระปัสสาวะที่มันเละเทะและ้วโห ท่านบอกว่าสัตว์นุษทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ชอบใจจะท่องสร้างความเดือดร้อนให้แก่แก่เพื่อนน่ะคือมิตรสหายรบกวนเบียดเบียนมิตรสหายอยู่ตลอดเวลาไอ้คนเอาเปรียบเพื่อนอ่ะบางทีเวลานั่งกินก๋วยเตี๋ยว ก, ก, กินกาแฟเด็กกันนั่งกินแกล้งกินแยช่ชาให้พวกออกตะตางห์ดีเพื่อนจะมีอะไรดีๆก็แกล้ง กระแลงซิเอาไปใช้เองซิบ้างเพื่อเขามีความสุขกับกระลงให้เขาได้รับความทุกข์ประมาณ์เพื่อชอบขัดใจเพื่อนชอบเอาเปรียบเพื่อนเน่ยคนเช่นนี้เนี่ยต้มตะกอนนรกกุมนี้นี่ท่านพูดต่อไปว่าท่านเล่าต่อไปก็นําออกจากนี่ก็นําไปดูนรกที่ถูกความร้อนแผดเผามีความคนหายไม่อยากน้าเป็นที่ก็ดื่มเลือด นะ่ยหาน้ำกินไม่ได้ดื่มเลือด ก, กินหนองของตัวเองท่านบอกว่าสัตว์ในลกพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ฆ่าบิดาฆ่ามารดาแมนะ่ใจร้ายมากฆ่าผู้มีพระคุณฆ่าผู้มีศีลธรรมเี่เรียกลับกรรมเช่นน่งจำมันในลูกนะลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำไว้อย่าทำในความชั่วรักษาสิ้นห้าไวให้ทานไวไม่ตกนรกแน่ สัตนัน้พาไปดูต่อไปอีกสัตว์นรกที่ถูกนานนริบาลเอาเบ็ดที่เป็นไฟลูกโชนโตเท่ากระดมตาเกี่ยวเข้าที่ลิ้นแล้วก็ดึงเข้มันนอนเอามันน อ, นอมันแผ่นเหล็กที่เป็นไฟแดงฉานไฟลูกโชนแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสับเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยลูกหลานรู้ทราบนะชิ้นนิดเดียวมีอยู่มันก็ไม่ตาย มันต้องทุกรมานสัตว์นรกดิ้นเร่าเล่าเหมือนกับปลาสัตว์นโลกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าท่านบอกว่าคนผู้นี้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนโกงทําหน้าที่เป็นผู้ตีราคารับอย่างผู้ซื้อตีราคาของแพงให้เป็นของถูกเอาของถูกให้มันเป็นของแพง นี่เหมือนกับพ่อค้าที่หน้าเลือคดคุณลี่ยงขนเนื้อพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาตกนรกขุมนี้จําหน้าไว้เชียลูกหลานฟังแล้วก็จําไว้ใครก็ทําอย่างไหนแล้วก็จาไว้เจ้านี่ต้องไปอยู่ที่นั่นแน่เนี่ยมันดูกันต่อไปท่านพาไปดูอีกไปดูสัตว์นรกที่ถูกนายนิติบานทิ่มแทงร่างกายด้วยอาวุธเหมือนกับนายโคบานคนเลี้ยงงัว โคบานบานปเป็นผูรากษาคนเลี้ยงงัวใช้อาวุธแทงผูโคที่ไม่เขา่าขอกไม่งัวที่มันดื้อไม่เขา่าขอกว่าแทงตรงทำมันเจ็บในนี้ในบานจับตีนสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในนรกในแทงแล้วไม่พอโยนอีกท่านกล่าวว่าสัตว์นรกพวกนี้ในสมัยที่นะ้าเขาเป็นมนุษย์อ้อเดี๋ยวก่อนถ้าสัตว์นรกเหล่านั้นก็จมอยู่ในหม้อทองแดงแค่มันเอว ต่อมาก็ถูกภูเขาบดทับจนกรทังละเอียดแล้วละเอียดอีกจะไม่ตายแล้วก็ถูกบดละเอียดต่อไปบดไปบดมาบดมาบดไปอยู่นั่นแหละไอ้ภูเขาเป็นภูเขาเหล็กเป็นไปลุกโชนมันบดมันทับมันเจ็บดังนัร้อนด้วยใหงกล่าว่าสัตว์ในโกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวของบคุคคลผู้มีตะกูลนี่ถือตัวไมล่ละ แต่ว่ามีความระพฤติไม่เหมาะสมชอบให้คนชมเชยไม่เลือกนาะาคำว่าชมเชยนี่ก็เหมือนเจ้าโชว์นี่เป็นผู้หญิงใจบุญแม้จะมีสามีแล้วก็ไปเที่ยวทะเลเบาแวงกับชาบ้านชายอื่นเป็นนั้นว่า เขาพูท่านบอกว่าแม้จะมีสา ม, มีแล้วก็ตามยังยังชอบรักสนุกใครมาก็ได้สนุกสนุกดีอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเที่ยวไปทะเลาะกัชบชาวบ้านชาวเมืองเขาเอะไม่ใช่ทะเลาะนะทะเลาะแหละเลอะแหละหมายความมีสา ม, มีแล้วก็ตามยังเจ้าชู้ไปคบคนนี้ไปอยู่คนนั้นไปเกี่ยวกับคนโน้นไปร่วมรักกับคนนี้นี่ ตายแล้วตกนรกคมใหญ่แล้วก็มาส่ น, นรกขมนี้ลูกหลานที่รักวันนี้เสียงหน้าก็จะดกไปหน่อยนะมันลงนรกมันก็ต้องคึอคักนี่เป็นธรรมดาแต่ว่าวันนี้หน้ากลัวจะไปไม่รอดใชแล้มมัง้งมองดูเวลาหมดแล้วนี่ลูกหลานที่รักตอนนี้ลุงปู่ไม่ค่อยจะอธิบายนะักเรื่องเป็นอย่างนี้อยากจะให้ฟังให้ให้ตลอดตลอดไม่อยากไขคอ ถ้าได้ว่าสำหรับวันนี้เวลาแมา่ใครค้อนลูกหลานที่รักเลยเราก็อขอลาก่อนี่นะวันหน้ามาพบกันใหม่เพอความศุกสวัสิทิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลย้งมีกับลูกหลานที่รักทุกคนและกันบรรดาท่านพุทธศาสนินกชนทุกท่านสวัสดี